ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระหัตถาสมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณนะบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขับสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้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 รวมอยู่ในพุทธโธนั้นทำแปดมื่นสี่พันพธรรคขันก็ให้รวมลงไปที่พุทธโธนั้นถ้าไม่มีพุทธโธไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเป็นองค์พุทธโธอะไรอะไรทั้งหมดกิจกรรมในทางพุทธศาสนาก็ไม่มีทางนั้น เนธิเมทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากพุทธโธพุทธโธแปลว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้เบิกบานแปลว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทั้งหมดก็คือว่าบารมีสามสิทัศบารมีสิบประการนั่นแหละ แม้เราตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธก็จัดเข้าในบา ร, รมีสามสิทัะบารมีสินั่นเองเมตตาภาวนาเราตั้งจิตเจตนาภาวนาอยู่ก็คือในบา ร, รมีนั่นแหละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรวมเข้ามาแล้ว มันก็อยู่ที่พุทธโธประพุทธเจ้าพุทธโธพุทธะก็หมายถึงจิตใจของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายคือคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งก็มีพุทธะอยู่ในตัวมีพุทธะคือจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจคนเราถ้าไม่มีจิต <c oughs> ร่างกายนี่จะอยู่ เป็นอย่างนี้ไม่ได้สาริละร่างกายจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยจิตผู้รู้จิตชุทโธอยู่ภายในถ้าจิตนี้ออกจากร่างนี้ไปอะไรอะไรก็เสียหมดใช่ไม่ได้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้ ร่างกายสังขารที่จะเก็นอยู่ต่อไปมีชีวิตสืบเนื่องไฟก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขาดองค์พุทธะจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจพุทคอพุทธะนี้จึงเกี่ยวโยงทั้งหมดถ้าเราไม่ได้ภาวนากบว่าพุทโธตา พ, พุทธเก้าโน้น ท่านไปเห็นว่าพระพุท ธ, ธเจ้านโน้นท่านรับขันเข้าสู่นรกพานไปแล้วเราผู้โยภ่ายหลังก็ไม่ตั้งใจภาวนาอีกเพราะว่าพระพุท ธ, ธเจ้าเอามรคนิพพานขนไปหมดไม่เหลือไวให้พวกเราทั้งหลายความจริงไม่เป็นอย่างนั้นพระธรรมพระวินัย พระวินยัยก็คือว่าข้อห้ามหลักสินห้าิ้นแปดินสิบสองล้อยี่สิบเจ็ดห้ามไม่ให้คนทำชั่วไม่ให้พระพฤติเหลยวไหลเรียก ว, ว่าข้อห้ามข้อห้ามนี่เรียวกว่าพระวินยัยพระวินัยข้อห้ามเหล่านี้ก็จาเป็นทุกคนจะต้องมีจะต้องรักษาถ้าไม่มีการรักษาอยากทำอะไรก็ทำไป อยากพูดอะไรก็พูดไปอยากคิดอะไรก็คิดเลื่อยเปื่อยไปไม่ตั้งใจภาวนาก็เลยทุกยิ่งทุกอย่างก็เลยละหลวมท้อถอยไปหมดเจ็ตก็ฟุ้งซ่านลำขาดความประพฤติการกระทำของตัวเองก็เลิะเทอะไปหมดนี่แหละจึงว่ามันเกี่ยวโยงถึงกันหมดอะไรทุกอย่าง เหมือนกับว่าร่างกายสังขารของคนเหล่านี้แหละว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมันก็หมายถึงไม่สบายทั่วไปหมดทั้งกายด้วยทั้งจิตด้วยถ้าว่าคนนั้นอยู่ดีสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่บังเกิดมีขึ้นก็หมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นมันสบาย หมดทุกอย่างผมขอนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกลับไจใส้พุงมังกนก็สบายไปหมดถ้าหาว่าพุงแตกข้างในล่ะตายมันต้องดีทุกอย่างจึงมีคำว่าสบายดีถ้าอะไรอันหนึ่งมันไม่สบายมันเสียมันเสียไปหมด จึงต้องคิดให้เห็นภาวนาให้ลูกว่าดีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่จัดว่าดีไม่จัดว่าดีหนึ่งมันดีสามดีสี่ไปดีหนึ่งก็คือว่าคนใจดีใจเมตตาภาวนาใจไม่มีโมโหโทโส แม้คำพูดจะไปอย่างไรก็ตามถ้าใจดีก็ใช่ได้ความประพฤติการกระทามันจะผิดพลาดไปบ้างถ้าใจดีก็ใช่การได้คำว่าใจดีนั่นแหละมันจะดีออกไปได้ทุกอย่างทุกประการเพราะว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจคนเราทุกคนนั่นอยู่ที่ใจ นนั้นจึงมีพุทธภาสิทธานตัดไว้ว่าอะไรอะไรมันก็ขึ้นกับใจขึ้นกับจิตกับใจทั้งนั้นถ้าหาว่าใจไม่ดีละอะไรก็เสียหมดถ้าลองร่างกายจะดีขนาดไหนมีอาการสามสิบสองครบถ้วน แปลว่าถ้าใจเสียใจเป็นบ้าใจเสียจริตผิดมนุษย์เอาละเท่นลยาย จ, จะดีเท่าไหร่ก็ใจเสียแล้วใจเป็นใบเป็นบ้ า, บาไม่รู้ว่าอะไรต่อเป็นมีอะไรถ้าใครเกิดเป็นคนใบบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ใจไม่ดีแล้วก็เรี้ยวไ เสียไปหมดจึงสำคัญอยู่ที่ดวงใจทีนี่ใจจะสำคัญจะดีก็ต้องเป็นใจของผู้ตั้งจิตเจตนาบำเพ็ญภาวนาให้ใจดีเมื่อทำดีได้ประกอบการกุศลได้ทุกอย่างทุกประการ ท่านก็ว่าคนเรานั้นมันสำคัญที่ใจแล้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ก็ได้ใจเป็นใหญ่ในลูกในตัวนี้ก็ได้เมื่อใจนี่แหละเป็นใหญ่เป็นประฐานใจเป็นใหญ่เป็นประฐานสำเร็จแล้วได้ดวงใจถ้าใจไม่ตั้งใจไม่เอาฐาน ใจไม่ภาวนาใจที่เกียจใจมักง่ายใจโลเลไม่มีหลักไม่มีฐานเอาแหละที่นี่มันเกิดเสียไปหมดท่านจึงตัดวว่าภาวนาให้ดีทำใจให้ดีเพราะอะไรก็เพราะใจมันเป็นใหญ่เป็นประฐานทำอะไร จะสำเร็จรูล่วงไปได้ก็เพราะใจเป็นใหญ่เป็นประทัดพระพุทธเจา้าพระประเจ้ พ, พุทธเจา้าพระอรหันตาเจา้าพระโสดาพระสกิทาคาอาาคาท่านคริหและญายิโยมภิกสุสา ม, มนเณรผ้าขาวนางทีจะดีได้ก็อยู่ที่ใจใจนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีมันดีเอง ไม่ได้ต้องมีตัวเองเจ้าของใจนั่นแหละคือจิตใจของเรานั่นเองสติสมาธิปัญญาในตัวในใจนั่นแหละวควบคุมรักษาละชั่วบำเพ็ญดีที่ให้ภาวนาพุทโธพุทโธรวมใจให้สงบตั้งมั่นก็คือว่าให้ละความชั่วความไม่ดี ออกไปให้มันหมดมันสิ้นมันใสแล้วใจก็จะตั้งมั่นในข้อวัดปฏิบัติเป็นใจที่ซื่อตรงต่อศีลสมาธิปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่เป็นใจคดในข้องอในกระดูกใจคดในข้องอในกระดูกนั่นคือว่าใจไม่กลงในทาน ใจไม่คงในหลักสินห้าสินแสใจไม่คงในวายพระสวดมนต์ภาวนาใจที่เกียตขี่ข้านท่อถอยท่องบนศาทยายพระธรรมคาสอนไม่ได้แต่คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสลาคะโทสามูหาได้ <c oughs> ตลอดคืนก็นได้ตลอดวันก็นได้ นี่แหละคือมันคดในข้อคดในข้องอในกระดูกไม่ใช่กระดูกร่างกายมันงอใจมันงอใจงองแง่มันใจไม่ตั้งมัน่นใจไม่เอาจริงใจมันคดไม่ซื่อตรงไม่เป็นสุปฏิปันโนไม่เป็นผู้สุปฏิปันโนไม่เป็นญาญะปฏิปันโน เมื่อใจมันคดมันงอแลในใจในตัวของบุคคลผู้นั้นมันเกิดเป็นใจดำขึ้นมาหละใจดำว้างใจด่างว้างใจเขียวใจขาวใจอะไรมันมีทุกอย่างนั่นแหละคือว่าเวลาจะทำดีเวลาจะภาวนามันมีข้ออ้อแอแก่ตัวอยู่เสมอ นั่นแหละเพราว่าใจมันไม่ตั้งใจมันไม่ดีใจมันด่างใจมันสกปรกคือทําดีภาวนาให้ใจดีไม่ได้แต่คิดชั่วเหลยวไหลคิดได้ทาได้นี่แหละเรียกว่าใจไม่ดีเราต้องละทิ้งเอาใจดีใจดีเป็นใจอย่างไรใจดีก็ใจพระพุทธเจ้า ยายพระสัจเจตคพุติเจ้าเพื่นไม่โกรธให้ใครเพื่นไม่โลภอยากได้ของใครสมบัติของใครท่านก็เห็นว่าเป็นสมบัติของแต่แลบุคคลไม่ล่วงเกินใครท่านมีเมตตาเมื่อใครมีความสุขกายสบายใจในทางที่ดีท่านก็ส่งเสริม แต่ว่าเมื่อบุคคลใดทำบาปอากุศลไม่ดีท่านก็ตักเตือนว่ายาได้ทำบาปเพราะว่าบาปนั้นเมื่อทำไปแล้วมันเดือดร้อนเดือดร้อนตั้งแต่เวลาทำจึงให้ชื่อว่าเดือดร้อนภายหลัง ใจบาปใจอกุศลใจไม่ละความโกรความโลภความหลงเน่สภาวะใจบาปทำบาปคิดบาปทามันได้กรธให้ใครใจอัไรมันโกรธใจดําอยู่นั่นแหละเพื่อ mm. นยังไม่ถึงเวลาตายก็อยากให้เพื่นตายเมื่อได้มันจะตายเสียที <Yeah. S 1> เราจะได้สบายมันจะสบายยังไง ก็เขาตายทางโลกอยู่ยังเหลือเราอยู่มงนันเห็นเมื่อสบายอย่างไรสบายมันต้องละความโกรธละความอิจฉาพยาบาทความอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์แลยสั์ทั้งหลายเมื่อภาวนาเห็นแล้วก็รีบละอย่าไปรอว่าพระสีอามาจริงจะละอย่างนี้ไม่ทันพระไหนก็ละได้ เมื่อเราเห็นความชั่วความไม่ดีของตัวแล้วก็รีบละสร้างคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตของเราใจโกรธให้ละใจพระให้เจริญเจริญภาวนาพุทธโธพุทธโธในใจอย่าให้มันหลงลืมมันกระทบอารมณ์ใดๆก่าการพุทธโธในใจไม่ให้ไหวหวั่น พุโทโธหมายถึงพระพุท ธ, ธเจ้าพระพุท ธ, ธเจ้าหมายถึงผู้ห้ามทับห้ามกิเลสห้ามกิเลสแล้วก็ตัดกิเลสฆ่ากิเลสด้วยใจพระพุท ธ, ธเจ้าฆ่ากิเลสให้ตายขายกิเลสให้ออกทำลายล่างฐานกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้น จนอยู่ไม่ได้ในกายวาจาจิตของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านฆ่าทิ้งคือท่านละทิ้งท่านประหารทิ้งท่านไม่ต่อเติมส่งเสริมเมื่อไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมมันก็อยู่ไม่ได้ก็งอกงามขึ้นมาไม่ได้มันก็รอวันตายผลที่สดก็ตายอิเลตมันตาย ไม่ใช่ร่างกายมันตายร่างกายมันตายนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่กิเลสมันตายกิเลสความโกรธในใจเนี่ยมันตายไปภาวนาให้มันตายไปมันจะไปที่ไหนช่างหัวมันภาวนาพุทโธให้กิเลสความโกรธมันตายมันหมดไปให้ใจมันใสสะอาด เมื่อใจใสใจตั้งมัน่นใจเย็นใจสบายใจเต็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันมองเห็นได้หมดะอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกมันเห็นในจิตนั่นเพราะมันใสดูเวลาเราดูกระจกเงาดูแว่นดูกระจกเงา เมื่อเช็ดให้ดีล่ะมันใสใสก็มองเห็นหน้าเห็นตาเห็นเปลื้อนเปรอะเลอะเทอะเทนี้ถ้ามันไม่ใสมองก็ไม่เห็นหรือว่าน้ําที่เราตักมาน้ําใสดี่ถ้าเรามองมันไม่สั่นสะเทือนน้ําธรรมดามันก็เป็นกระจกเงาเก่งแว่นซองดูเงาหน้าได้ มันไม่สั่นสะเทือนเหมือนสมาธิภาวนาของผู้ภาวนารวมจิตใจสงบเลิกละภายนอกออกไปจิตมันก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเมื่อจิตไม่หลงไหลมันก็ใสใสก็ว่าสะอาก็ว่าท่องใสก็ว่าอันนั้นมันเป็นภาษา ส่วนจิตผ่องใสจิตสะอาดจิตสบายจิตเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนั้นอะไรทานมามันก็รู้แหละดีมามันก็รู้ชั่วมามันก็เห็นผิดมันก็รู้ผิดแล้วมันเป็นอย่างไรทำบาปแล้วบาปมันอยู่ที่ไหนท่านก็มองเห็นทำแล้วมันก็ตามให้ผลบาปนั้นมันมีอยู่ทุกหย่อมย่า ถ้าใครทำแล้วมันก็เดือดร้อนบุญก็มีเต็มโลกไม่ใช่ว่าบุญอยู่กงนั่นกองนี้เมื่อเราตั้งจิตเจตนาให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วที่ไหนก็เป็นบุญทำทานที่ไหนก็เป็นบุญรักษาศีลที่ไหนก็เป็นบุญนั่งกรรมฐานภาวนาที่ไหนก็เป็นบุญ มันบุญอยู่ที่จิตคุณอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ตัวบุญมันมีอยู่ทั่วไปถ้าเราทําเมื่อใดมันก็เกิดเป็นผลบุญขึ้นมากแต่ว่าผลบุญนั้นมันละเอียดหน่อยปัญญาไม่ถึงก็มองไม่เห็นไม่เหมือนบาปบาปมันหยาบช้าทาลุนเมื่อทําแล้วมันก็สนองเลยให้ปรากฏการ เป็นทุกข์เนร้อนจนเจ้าตัวบนเพอลำไลทีเดียวว่ากรรมอย่างนี้บาปอย่างนี้ความทุกข์อย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทําเลยทําไมหนอข้าพเจ้าจึงได้รับนนะสิ่งใดที่ตัวเองได้รับนั้นให้เข้าใจเสเถิดว่าเราได้ทําได้พูดได้คิดมาแล้ว แอ่ว่าคนเรามันไม่รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีถ้าดีแล้วเรามักจะชอบอันมันดีนั้นอันมันชั่วเป็นทุกข์ไม่บอกเราทำบาปไม่เห็นคนใดว่าเข้าไปเจ้าทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกคนอื่นไม่มีปิดบังไว้มาให้ใครเห็นให้คนอื่นรู้เห็นแต่สิ่งที่ดี ถ้าเขาไม่รู้ก็มักจะยกยอตัวเองเป็นธรรมดาของใจหลงก็ควรเป็นอย่างนั้นให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้บาปก็ตามบุญก็าตามมันมีเหตุมีปัจจัยด้วยกันทางนั้นไม่ใช่มันเลื่อนลอยมาโดยไม่มีเหตุมีปัจจัยมันมีทางนั้น ทำไมคนเราจรึงตาบอดบางคนทำไมจึงเป็นคนหูหนวกทำไมจึงเป็นคนปากแหว่งทำไมจึงเป็นคนขี้ไายขี้เละทำไมจึงเป็นคนดำทำไมจึงเป็นคนขาวมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นมันมาจากผลกรรม่านบุคคลนั่นทามาเมื่อเรา ใจคิดบาปโกหให้คนอื่นให้ขตาเขาบอดกี่พบกี่ชาติมาแล้วก็ตาม้นกรรมอันนั้นมาถึงเข้าไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดไวไดัยใดมันก็ได้รับผลอย่าว่าแต่คนเราธรรมดาแม่พระลาหันตาสมัยก่อนโน้นเป็นเมฆาจากคูบาล คือว่าแต่ก่อน <c oughs> ยังไม่ได้บวชนะั่นหลายพบหลายชาติมาแล้วเป็นหม อ, อยาเป็นหม อ, อยาตายาทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญมันมีเหตุเกิดขึ้นคนที่หม อ, อยาไปยาหายแล้วมันไม่ให้สตางค์มันไม่ให้สตางค์งก็เฉยไว้ข้าวหน้า มันก็เจ็บขึ้นมาอีกมันหายเป็นขาวๆทีนี้ก็เอายาตาบอดใส่ให้ละวันตาเขาก็แตกเป็นคนตาบอดไปผลกรรมอันนั้นแหละเมื่อท่านแจกคู่บานภาวนาไม่หลับไม่นอนมันรมันดามให้เกินไปจนต์าแตกตามื่อดูโลกนี่แหละมันแตก พอแตกก็พร้อมกับตาแตกนะการภาวนาท่านก็ปล่อยวางได้เป็นพระอรหันตากินาสตกิเลสราคะโทสะไม่มีแล้วลูกนี้แตกดับเมื่อใดก็เข้านิพพานแต่ว่าสเสวยกรรมตาบอดไปก่อนเพราะว่าทำตาของคนอื่นให้บอดด้วยความโกรธความไม่พอใจ นี่หละคือมันมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างแต่คนเรานั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกเมื่อตัวตัวเองไม่พอใจแล้วก็ว่า <c oughs> กรรมอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทําไม่ได้ทําชาตินี้ชาติก่อนทําไม่ชาติก่อนไม่ได้ทําชาติก่อนก่อนนู้นมันก็นได้ทําเพราะมันเกิดมันตายมาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นท่านละลึกได้ในกรรมที่ตนกระทำเมื่อกรรมชั่วมาถึงตัวท่านก็ยอมรับไม่ปฏิเสธส่วนกรรมดีให้ผลท่านก็รู้แม้องศ า, าสดาสมมาสมพุทธเจ้าที่คนเขารลบนับถือทำบุญให้ท่าน อะไรทุกสิ่งทุกอย่างท่านตามระลึกได้ว่าผลกรรมที่ทำเมื่อใดเวลาไหนได้รับนี้ท่านก็รู้อะไรที่เป็นทุกข์เป็นร้อนท่านก็รู้มันมาจากเหตุปัจจัยทางนั้นการภาวนาทาใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัตินี่แหละ เราต้องทำเหตุทำปัจจัยอันนี้ให้เพียงพออย่าไปมากง่ายให้เจริญให้มากพาวนาให้มากทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำดีได้และอย่าไปรอให้ผู้ยังเด็กอย่าไปรอว่าให้แก่เสียก่อนจึงทำอันนั้นก็ไม่ถูกการปฏิบัติพาวนาทำคุณงามความดีนั้น เมื่อมันมีช่องว่างที่เราจะต้องประกอบกระทมและให้เลี่ยรทโดูพุทธสาวกในขั้งพุทธกาลไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชนักบ้านเมื่อท่านเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาแล้วเคโดว่าเด็กเด็กอายุเจ็ดขวบ พ่อแม่พาไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้เหมือนคนใหญ่ละกิเลสได้แต่อายุเจ็ดขวบเป็นพระโสดาก็มีเป็นพระสกิตาคาเป็นพระอนาค า, ท, าทั้งขั้งที่โยในเทศเขเลยหัเป็นถึงพระอหรหันต บวชหรือไม่บวชไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจท่านเลิกได้ท่านละได้สังหเจ็ดขวบละสิเลดได้พอท่านตั้งใจทำตั้งใจภาวนาจริงๆเหนี้ที่เราไม่ได้ไม่ถึงเป็นไปไม่ได้คือว่าไม่ตั้งใจไม่ภาวนาอย่างคนไปมาหาสู มาฟังเทศฟังคำก็มักจะถามว่าหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาท่านจะแนะนำอะไรให้ใจของผมสบายใจสงบให้ผมละกิเลสลาคะโทสะโมหะได้มันว่าเอาอย่างนั้นท่านก็บอกว่าต้องภาวานาต้องทำดีสิมันจะดีได้ไม่ใช่คนอื่นทำให้มันก็ไม่ฟัง มันจะเอาแตงง่ายอย่างเดียวเอาง่ายว่าขอให้ได้ง่ายๆเกือบพอแล้วทีนี้ี่านฟังเทศฟังธรรมฟังค ำ, งคำสั่งสอนไม่ภาวนาพุโทโธในใจก็มักจะไปฟังเอาว่าท่านองค์นั่นองนี่ในสมัยข้างก่อนนั่นพอฟังธรรมก็ได้สำเร็จไปนิพพานเลยลอยฟ้าไปเลยเอยาละอยากได้อย่างนั้น นั่งรับตาภาวานาเป็นทุกข์เป็นรอดไม่เอาข้าจะเอาอย่างง่ายเวลาธรรมมันไม่ใจของง่ายมันต้องทํำปฏิบัติภาวานายาได้มีความท้อถอยพุทโธในใจแล้วว่ายังไว้ยึดไว้ในใจมันจะโกรธมันก็โกรธไม่ได้มันคาพุทโธมันจะโลภอยากได้นั่นได้นี่มันก็โลภไม่ได้มันคาพุทโธเรานึกพุทโธอยู่นะ คำว่าพุทธโธมันหมายไปได้ทุกอย่างทุกประการเมื่อมีพระพุทธเจ้าเตือนอยู่เราลึกถึงท่านอยู่พระพุทธเจ้าก็มาบอกมาสอนเรียกว่าพระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละมันมาตักมาเตือน <c oughs> ในพุทธศาสนาเพื่อยังมีว่าสามพระพุทธก็หมายถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมก็หมายถึงพระธรรมวินัยสัจธรร า, ส, าสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเอามาชี้แจงแสดงหรือท่านจะไปสู่นิพพานแล้วพระธรรมนั่นก็มีอยู่มีอยู่ในโลกนี่แหละหรือว่าศาสนามันเสื่อมไปแล้วก็ตามพระธรรมนั้นก็มีอยู่ในโลกแต่ว่าคนไม่มีปัญญา เอามาใช่การเอามาสั่งสอนเอามาละกิเลสลาค ะ, ะโทสาโมหะของตนไม่ได้แต่มันมีอยู่เมื่อพระพุทธเจ้ามาปรัสมาที่แจงสแสดงเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้แล้วเอามาฝึกผลอบรมตัวเองจิตใจตัวเองมันก็ได้ผลง่ายขึ้นไม่ต้องดูอื่นไกลหละ <c oughs> ดูที่ ชีวิตของคนในโลกสมัยนี้อย่างวิชาความรู้ที่เอาเหล็กเอาหลาเอาโลหะมาประดิษฐ์ประดอยเป็นรถยนต์ก็พาวิ่งไปได้กี่ร้อยกี่พันไมล์ก็ไปได้เอาเหล็กเอาหลาเอาน้ำมุกน้ำมันมาสร้างมาทำเป็นเครื่องบินลอยฟ้าบินไปในอากาศได้ วิชาเหล่านี้มันก็มีอยู่แต่ว่าสมัยใดคนโง่เขาเบาปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่รู้จักเอามาดักมาแปงมาแก้มาไขให้มันเกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้แต่มนุษย์สมัยนี้เขามีเขามีความนี่แหละไฟป้าแต่ว่าคนฉลาดคนรู้คนเข้าใจไม่มีก็เลยเอาขึ้นมาใช้ไม่ได้ ถ้าคนฉลาดคนมีปัญญาคนมีอัดมีตาเอาขึ้นภูเขามันก็ขึ้นเอามาในถ้ามันก็มีไฟไฟฟ้ามันก็ใช้ได้เนี่ยแหละพาะธรรมในสัตธุศาสนาคำสอนของสรพพุตธธิเจ้าก็มีอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุตธธิเจ้ามาตรัสมาชี้แจงแสดงคือว่า เยอก่อนมันเอามาใช่ไม่ถูกเหมือนทรัพยากรในโลกนั่นแหละเมื่อคนไม่ฉลาดเกิดขึ้นมามันก็มีอยู่แต่ไม่รู้จะเอามาใช้อย่างไรถ้าคนจะเหลียวฉลาดคนศึกษาดีมีทรัพย์ชิ้นเงินทองมีอุปกรณ์ต่างๆครบคันทั้งคนทั้งวัตถุมันก็เอามาใช้ได้ ในสิ่งสมัยโบราณไม่ได้ไม่มีสมัยนี้เขาก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เพราะคนมีปัญญาการภาวนาเพื่อทำความเพียรละกิเลสแม้จะภาวนาพุทธโธพุทธโธก็ตามเอาจจริงๆมันก็ได้ทั้งนั้นอะไรมันกะเป็นพุทธะพุทธโธได้มันขึ้นอยู่ที่วใจเอาจริง เมื่อใจเอาจริงแล้วได้หมดถ้าใจไม่เอาจริงละอะไรก็ไม่ได้ถ้าใจถอยละถอยหมดท่านเชียงว่าใจเป็นใหญ่นะใจเป็นสสานนะจะสำเร็จรุล่วงงานต่างๆจะรุล่วงไปได้ก็ด้วยกำลังใจร่างกายสังขารอันนี้มันเป็น เพียงเครื่องใช้ไม่สอยของบุคคลของจิตใจนั้นใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในรดวงใจจิตใจเป็นนายกายเป็นเ่าเหมือนสมัยราชาทิปไตยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะฆ่าให้ตายก็ได้พอท่านเป็นใหญ่ บอกลาบสะดอนให้ทำให้อะไรได้หมดเหมือนกายกับใจของเราทุกคนมันคลองอยู่ในตัวของเราเนี่แหละแต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งใจไม่ดีใจเสียก็เลยพาตัว่ากายให้เสียไปจึงเกิดมาเป็นคนใบ้บังเป็นคนบ้าบัางเสียสลริผิดมนุษย์บัง ใจไม่ตั้งใจเลื่อนลอยใจฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่ดีเมื่อใจไม่ดีก็คือว่าใจไม่เป็นแก่นเป็นสารศีลสมาธิภาวนามันไม่มีในใจใจมันเสียใจเน่าเหมือนไม้เป็นเน่าในไม้ที่เป็นเน่าเป็นโพงนะเอามาทาบ้านทาเดือนทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม้ไม่มีแก่น จิตใจของเราที่ให้ภาวนาพุทโธหรือภาวนาอะไรให้ใจมันเป็นแกนแกนศีลแกนธรรมแกนคําสั่งสอนให้มันอยู่ในใจไม่ให้เป็นใจเหลวไหลใช่าการไม่ได้ ใ, ใจดีใจดีก็คือว่าศีลสมาธิภาวนานั่นเองใจดีก็คือว่าทานศีลภาวนานั่นแหละผลที่สุด มากผลนิพานมันก็ไปถึงได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าใจดีใจมีความภาคใจมีความเพียรใจมีความหมั่นความขยันใจมีความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ตั้งใจประกอบกระทำอยู่เสมอไม่ใช่จะเอาแต่ความสะดวกสบาย ไม่ตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงย่อมไม่ได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราในวันเวลาที่พระองค์จะเอาชนะกิเลสในจิตใจของท่านท่านจึงมีการตั้งสัตอธิษฐานใจลงไปว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อไข้มันจะเหือดแห้งไปมันจะตายก็ช่างมันใจพระองค์ไม่หวั่นไหว ตั้งใจกำหนดภาวนาอนาปาลมหายใจจนจิตใจสงบตั้งมั่นจึงได้ปัญญาวิชาความรู้แจ้งในรูปแจ้งในนามแจ้งในกายในจิตเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกครั้งอนาตาทั้งรูปนามกายใจทั้งโลกภายนอกด้วยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตทงหลาย ท้องฟ้าดินฟ้าอากาศอะไรอันไรพระองค์ก็แจ้งหมดรู้ได้เข้าใจหมดจึงเลิกได้จึงละได้จึงตรัสสลู่ได้อัดขาดแล้วก็รู้เดี๋ยวตรัสสลู่ขาดแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดอัดไม่ขาดอัดไม่ขาดละไม่ออกมันก็ไม่แจ้งใจ ท่านว่าอย่างไรก็ฟังไปเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ภาวนาให้มันรู้ตามเห็นตามท่านวัดดีก็ดีท่านว่าท่านว่าชั่วก็ชั่วท่านว่าเมื่อกิแลสความกอดโลกหลงมันเกิดขึ้นเราก็ไปตามมันไม่ได้ต้องให้มันแจ้งอยู่ในจิตในใจว่าอะไรมันผิดผิดแล้วก็ไม่ต้องทําละทิ้งบาป เมื่อรู้เข้าใจหลังไม่คิดทำอีกต่อไปไม่พูดอีกต่อไปไม่ทำอีกต่อไปบาปนั้นก็ไม่เกิดขึ้นคนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญธ ร, รมสมชมไปอย่างนั้นแหละทันให้นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ฟุง่งซ่าลำคาญง่วงเมาเมานอนท่อแท่อ่อนแอกลัวตาย มันเป็นเสียอย่างนี้ฉะ น, นั้นให้ภาการลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าให้จิตใจข้อแท้อ่อนแอจงเตือนใจของตัวเองอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่อ่อนแอท้อแท้เหมือนเราท่านทำบุญให้ทานเต็มที่จิตใจของท่านก็สามารถอศานท่านรักษาศีลของท่านให้บริสุทธิ์จิตใจของท่านก็สามารถอศาร ท่านทำสมาธิภายในจิตใจของท่านมั่นคงหนักแน่นจิตใจของท่านก็สามารถอา่านจนถึงขัน้นตัดกิเลสความโกรธออกจากใจตัดกิเลสความโลภออกจากใจตัดกิเลสความหลงออกจากใจได้เด็ดขาดแล้วก็ยังสอนผู้อื่นสัตว์อื่นสิ่งตื่นผู้อื่นได้ นั่นแล้วคือวันน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าพุโทโธเป็นผู้สามารถอ า, า่านเราก็ให้ตั้งใจลงไปอย่าเข้าใจว่าเป็นแต่พระพุทธเจา้าตัวเราเองก็เอาชนะใจของเราเองพระพุทธเจ้าท่านก็เอาใจชนะใจกิเลส ข, ของท่านเองเราทุกคนก็เอาชนะกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวเองให้ได้ทุกคน ก็ย่อมได้ชัยชนะทางนั้นเหตุนั้นผู้ปฏิบัติทำกรรมฐานในทางพุทธศาสนานี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันขึ้นกับความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อผู้นั้นตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลและบาปบำเพ็ญบุญอยู่ในตนทุกวันเวลา ก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้สดับรับฟังแล้วเข้าใจแจ้งแจ้งในใจของตนอย่างใดจงนำไปประพฤติให้ดีปฏิบัติให้ชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้ความรู้ความฉลาดความสา ม, มัออาฐาน ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วย ก, กาละชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเทผวัตวันตรยโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาธิริชนิกังวุฒธธาปัจจายิโน กัตตาโรธรรมาวัฒอายุวันโนสุขังพาลังนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพระคขวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีมพระภาคปรารันตากสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นะบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา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 เนกบริกรรมภาวนาพุโทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาเวลานี้ไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้รวมจิตใจมาอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละคิดไปภายนอกไม่เอาเลิกทิ้งอดีตอนาคตไม่เกี่ยว ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เราตั้งใจภาวนาอยู่นึกบริกรรมภาวนาอยู่ยาให้หลงลืมในขณะที่เรานึกบริกรรมอยู่ก็ฟังธรรมไปด้วยในขณะที่เราฟังธรรมไปด้วยก็กําหนดลมหายใจเข้าออกไปด้วยอันนี้เป็นวิธีการ ฝึกจิตฝึกใจให้มีสติคนเรามันขาดสติอยู่ตลอดเวลาสติคือความละลึกได้เจตใจดวงผู้รู้โยภายในนี่แหละต้องละลึกได้ต้องละลึกอยู่ละลึกโยเสมอ ละเลิกว่าเดี๋ยวเน่ตัวละลึกว่าเราภาวนาพุโทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งรวมใจเข้ามาโสจุดดวมจิตผู้รู้นึกพุโทโธอยู่รวมเข้ามาที่ตกงนี้ให้ได้แล้วเวลาหนาวเน่แหละอย่าให้จิตไปเกี่ยวข้องกังวลกับความหนาว ให้เห็นว่าความหนาวนี่เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ทำไมจึงว่าเรื่องเล็กมันเรื่องในโลกมันไม่ใช่เรื่องหลอกนอกโลกการภาวนาละกิเลสหรือทาจิตให้สงบระงับเพื่อตัดบ่วงห่วงอลไยกิเลสตัณหาในใจของเราเป็นเรื่องใหญ่ ที่เราทุกข์คอนทุกข์ดวงใจทั้งหญิงชายเด็กนมแก่คฤรือหักและนักบวชจะต้องมุ่งลองไปจุดนี้ให้มากที่สุดในนี้เมื่อหนาวมันก็มีเป็นหวัดขัดจมูกไปด้วยย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อน กับเป็นวัดขัดจมูกยกยจิตใจให้มันสูงกว่ารูปนามกายใจไม่ให้มันมายึดถือวัดเราหนาวเราเป็นหวัดขัดจมูกเราเป็นไข้ไม่สบายเรามีโรคอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องว่าโรคอะไรก็ตามมันก็โรคแก่โรคท ล, าล่าโรคอไรเงี้ ผลที่สุดจะถึงขั้นโลกตายนั่นแหละมันไม่ใกไหนจะมาย่อท่อในหัวใจไม่ได้ในเมื่อเวลาหนาวก็ตามร้อนก็ตามฝนก็ตามความจริงร้อนหนาวเขาไม่ได้สินทุกน้ำดินน้ำไฟลมเขาไม่ได้สินทุกเจตใจของเรานี่แหละมันเป็นผู้ทุกข์ไปยึดไปถือ ยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไรก็ทุกมากเท่านั้นถ้าไม่ ย, ยึดไม่ถืออะไรก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์ใหญ่รูปร่างกายนั้นมันจึงมีทุกข์เป็นธรรมดาธรรมดารูปร่างกายเกิดมาแล้วใครจะมากันไว้ไม่ให้มันแก่มันสลายไม่มีทางแก้ได้ โลภะขันนี้เมื่อมันเกิดเป็นตัวตนอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปไม่ได้แล้วเจ็ตใจไม่ภาว น, นาพุทธโธไม่บรรลุถึงคำว่าพุทธโธจึงมาเป็นทุกข์เป็นรอนกับธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลาย เพราะความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเรานี้แหละเป็นตัวสำคัญจงทาใจของตอนให้สงบตั้งมั่นลงไปเรียกว่าสมาธิที่ให้นึกพุทธโธหรืออุบายหนึ่งอุบายใดก็ตามจดมุ่งหมายท่านให้ใจของเราทุกดวงใจตั้ง เดี๋ยวนี้ใจมันนอนใจมันนอนมันเลื่อนลอยมันนอนมันหลงไหลคิดออกไปตามลูกเสียงจินรถโภธทะพระธรรมลมรวมกำลังเข้ามาตั้งใ น, ในใจิตใจให้ได้ทุกลมหายใจจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติ สติให้มีความละเลิกโยในตัวในใจเมื่อเกิดความทุกอันใดขึ้นมาในร่างกายสังขารนี้เป็นต้นว่าเดี๋ยวนี้แรีก ว, ว่าหนาวเย็นหนาวเมื่อความทุกอย่างนี้บังเกิดมีขึ้นนั้นท่านว่าทุกอย่าไปบนอดทนเอา ถ้าใครจำได้ว่าทุกไม่ต้องกดนะทุกต้องอย่าไปบ่นกททนเอาได้ผู้นั้นก็เข้าใจในธรรมะเราจะมาบ่นว่ามันหนาวมากคืนนี้หนาวมากเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไปมันว่าหรือใครว่าดูให้ดีในใจเจ็ตของเราเป็นผู้ว่าถ้าดินเขาไม่ได้ว่า ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ได้ว่าเจ็บหลองเจ็บยึดถือมันไปว่าว่าหนาวหนาวก็สมมุติเอาตัวหนาวมันมาได้ลองเปล่ปาเปาเหมือนคนว่าคารบอเจ้าหนาวนะลมเหนือมาลมใต้มาอะไรว่ามันก็หนาวนะเขาว่าหรือเขาไม่ว่าธาตุดินเขาว่าที่ไหนดูแผ่นดินภายนอกสิ ธาตุน้ำเขาก็ไม่ว่าน้ำเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ว่าธาตุไฟธาตุลมเขาก็ไม่ได้สมมุติตัวเขาใครเป็นคนสมมุติมโนถหลงไปสมมุติเมื่อตัวเองสมมุติขึ้นมาตัวเองก็หลงสมมุตินั้นเนตระทำเจียงให้ภาวนาทาใจให้สงบ จะได้ที่เรณาผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระโดดกลับตายไ ส, สพุงสิ่งปฏิกูลโสโครกในร่างกายสังฐานของตัวเองจะได้ที่เจรณาให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันไม่แจ้งมันยังหลงโมหะอาวิชชาอยู่ก็มาหลงไหลในโลภร่างกายตัวเองนั่นแหละเป็นข้อแรก เมื่อไม่โดไม่พิจรารณาลูก ป, ประหารร่างกายของตัวเองมันก็ลหลงไหลไปตามหายนอกเมื่อลหลงไหลในรูปของตัวเองกีเลสมารสังขารมานภายในนี่แหละมันก็หลอกลวงให้ลหลงไหลไปในลูกคนอื่นเกิดความรักให้พอใจในรูปนั้นเจตหลงนี่มันก็มาคิดเอาว่า โลกที่เราเห็นนั่นแหละจะให้มีความสุความสบายหาได้รูปไหมว่ารูปนั้นมันได้มาจากอะไรไม่ใช่ได้มาจากสิ่งปฏิกูลโสโครกทุกคนหรือคนเราไปนอนในคันมารดาในท้องแม่ทุกคนไม่ว่าหญิงชายนักบวดนักบ้านไปนอนในท้องแม่น่ะมัน สวยสดวดงามที่ไหนโคข้อปฏิกูลเหม็นสาบเหม็นข่าวนอนอยู่ได้ตั้งสิบเดือนทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วยังจะไปหลงไหลในเรื่องนั้นอีกหรือนี่แหละพระพุทธเจ้าทันจึงให้พิจารณาให้ภาวนาทําใจให้ส ง, งบตา ยาได้หลงไหลไปกับสิ่งใดๆหนาวมาเราก็ไม่หลงร้อนมาเราก็ไม่หลงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปหลงว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ธาตุดินเขาเจ็บไข้ได้ป่วยตัางหากเล่าธาตุน้ําเขาเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุไฟธาตุลมเขาเจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บเราไปหลงหลงว่าเราเจ็บเราไข้เราไม่สบายหลงธาตบบุินน้ำไฟลมดูเมื่อมันเกิดมาแล้วมันแก่ชราเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชราขยาธิมรณะนะดูทีมันเป็นยังไงเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วก็ เปื่อยเน่าผุพังทับถมแผ่นดินเมื่อผู้อื่นเพื่อนมนุษย์เขาเห็นว่าเราตายเขาก็ฟังดินให้บ้างเผาไฟทิ้งบ้างเมื่อให้มันไมหม้มันเหม็นมันก็มีโยเท่านี้ ความหลงไม่ภาวานาไม่รวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นก็เกิดความลุ่มหลงมัวเมาแล้วมันหลงมาอย่างนี้ตั้งแต่อาเมกชาตินับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ได้แล้วอย่าไปเข้าใจว่าเราเพิ่งมาเกิดชาตินี้จะมาหลงไหลต่อไปอีกไม่ภาวานาละกิเลสไม่ได้ต้องละทิ้ง เพียนแท่งโดให้รูดแจง้งทุกลมหายใจเข้าออกตัวโกของโกตัวข่าของข่าตัวเราของเราที่ไหนจิตหลงทางนั้นจิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกีแลงความโกรธในใจจิตไม่ละกีแลงความโลภในใจจิตไม่ละกีแลงความหลงในใจจึงได้มาเยึดหนาวเยึดร้อน ยึดว่าตัวกูของกูตัวข่าของข่าตัวเราของเราตัวสักกายทิฏฐิความยึดกายถือกายร้อนมาก็ว่าเราร้อนหนาวมาก็ว่าเราหนาวใครว่าผิวกายที่มันหนาวมันว่าไหมเมื่อเขาไม่ว่าเจตกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ภาวานาละกิเลสมันว่า ยาไปว่ามันทกอะไรขึ้นมายาได้บน่นอดทนเอาทุกยาบ่นให้อดทนเอาจำไว้ให้ดีหนาวมาไม่ต้องว่าเล่าหนาวอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นอากาศมันก็ไม่ว่าปากมนุษย์มันว่าใจมนุษย์มันว่าสงบแน่วแน่มั่นคลองในหัวใจแล้วก็ สบายใจสบายใจสบายตัวไม่ไปทุกข์ไปร้อนไม่ไปผิดไปเถียงกับภากาศไม่ไปผิดไปเถียงกับหนาวหนาวมันไปถึงไหนมันก็แค่ตายนั่นหนาวมากกว่านี้ไปก็ตาย อย่าไปเย็ดหนาวถือหนาวตั้งใจขึ้นมาใจให้ยกขึ้นมาให้สูงส่งหนาวถ้าได้เราเข า, าวนาเหงานอนง่วงนอนก้มลงไปจนถึงพื้นใช่ไม่ได้เยอดตัวขึ้นให้มันสูงตองลราเลิกโยในตัวในใจอย่าให้ขี้เศราเหงานอนเข้ามาทับผมได้ เจ็ดใจภาวนาโยพุทโธในใจอยู่ที่ไหนเจ็ดใจดวงผู้รู้โยที่ไหนในเวลานี้รวมกาลังตั้งมั่นลงไปใ น, ในใ จ, จิตใจนั่นอย่าไปคิดว่าคนอื่นผู้อื่นจะมาช่วยแก้ไขให้ไม่มีแม้องพระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่พระองค์ยังมีพระนชนีดอยู่พระองคง์ก็ส่งตัดว่า เราตาถาคตก็เป็นผู้ที่แจงสแสดงตัดพระธรรมเทศนาให้สาวกทั้งหลายฟังสาวกทั้งหลายต้องนำไปปฏิบัติบูชาภาวนานละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปสิ้นไปไม่ใช่เราตาถาคตไปละกิเลสให้ท่านทั้งหลายเมื่อเราฟังคำข้อนี้ให้ดีเราก็เห็นว่า ไม่มีผู้อื่นใดจะมาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้แก่เราได้มันเป็นหน้าที่ของเราเองดูตัวอย่าง ง, ง่ายๆอย่างว่าคนเรามีชีวิตมาตั้งแต่เกิดจนบันนี้เราบริโภคอาหารเอง ไม่ใช่พ่อแม่ญาติวงบริโภคอาหารเราไม่กินอาหารเราจะมีอายุมาถึงวันนี้ไหมเป็นไปไม่ได้รูปเกียดตในอาหารนี่สันใดการสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนการประพฤติดีปฏิบัติท่อบการทำความเพียรละกิเลสในหัวใจของตนก็เป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ ไม่มีใครจะไปช่วยได้เหมือนเราบรีโภคอาหารเหมือนเราสูดลมหายใจเข้าออกถ้าเราไปเยิมจะโมกคนอื่นหายใจมันจะได้ที่ไหนจะโมกใครผู้นั่นก็หายใจเราจะไปเยิมจะโมกเขามาหายใจได้หรือไม่ได้ เมื่อไม่ได้เราก็ต้องรวมความในใจของเราได้ทีเดียวว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นตนเองต้องตั้งใจขึ้นมาว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีให้ใจเราทอดถอยในการปฏิบัติ นั่งก็ภาวนาพุโทโธเยืนก็ภาวนาพุโทโธเดินไปไหนมาไหนไปรถไปลาก็ภาวนาพุโทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในนั่นเองแต่ภาวนาบทใดข้อใดถูกกับจริตจิตใจของตอนอันใดก็ได้นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความทับทาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์อะไรก็ภาวนาได้เท่านั้นไม่ใช่มีแต่พุโทโธอะไรก็ตามเมื่อเรานึกเราจะเรินขึ้นมาแล้วถ้าให้จิตใจเราสงบตั้งมัน่นเกิดความสลดสังเวชในความหลงในจิตในใจในตัวของเราไดา้แก้ไขกิเลสในใจของตัวใดนั่นแหละ เป็นพระธรรมพระวีไนสัตตุศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนแก้ตัวเองแก้ใจของตัวเองละกิเลสในใจเนยให้หมดไปสิ้นไปตัวโกของโกตัวฆ่าของข้าข้าเป็นนั่นเป็นเนยนะมันเป็นอาไรธาดินน้ำไฟลมก้อนอสุะกรรมฐ า, าน จะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนไปถึงไหนตายแล้วมันเอาไปได้หรือไม่เห็นหรือเขาตายแล้วเขาทิ้งไว้ในโลกนี้หน้าตาชื่อเสียงยศลักษทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไรนาบ้านเรือนสุขลามชื่อเสียงหน้าตาเอาไปได้แค่ไหนตายแล้วมแมลงวันตอมปาก มีประโยชน์อะไรจะมาหลงหยึดในร่างในกายในหน้าในตานี่ทำไมจงภาวานาให้รู้แจง้งในจิตใจของตัวเองแก้ไขใจไม่ให้หลงไม่ให้มายึดเหลายึดหลอนคว า, ามทุกข์อันใดบังเกิดนี่ขึ้นเป็นธรรมดาของโลกประขันเขาต้องเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้